คืนปล่อยผีสัมผัสสยองหลังจากที่อำภาเสียชีวิตไปแล้วเธอได้ทิ้งลูกสาวอายหกเดือนให้ศินดูลาเมื่อศิลนได้จัดการงานศพ ของอำพาตามประเพณีชาวบ้านที่รู้ข่าวการตายของอำพาก็ได้มาช่วยงานศพกันหลายคนในงานทุกคนอยู่แนการโศกเศร้าและกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารอำพาศิลและลูกน้อยโดยเฉพาะลูกของอำพาที่ชื่อแก้วตาแม้จะเพิ่งอายุคแค่หกเดือนแต่ก็ต้องมาขาดแม่เลี้ยงดูเสียแล้วยังดีที่มีตา ยายปู่ยา่าและนานาซึ่งเป็นน้องของงามภาอีกสองคนคอยดูแลสินเองทงั้งทั้งที่หัวใจแทบสลายที่คนรักได้จากไปแต่ได้ความรักและความรับผิดชอบต่อลูกน้อยสินจึงตั้งใจไว้ว่าจะดูแลแก้วตาลูกรักอย่างดีที่สุดหลังจากเก็บกระดูของงามภาแล้วจึงนำใบบรรจุไว้ในโกร ที่วัดในหมู่บ้านพอครบเจ็วันหลังจากที่อมพาเสียชีวิตไปรุ่งเช้ายายจวบแม่ของอำพาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของศินยายจวบเรียกศินอยู่นานเพราะสินกําลังอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวไปทํางานเมื่อศินเจอยายจวบสินก็ถามว่าแม่มีธุระอะไรหรือเปล่าถึงมาแต่เช้าตรู่อย่างนี้ ยายจวบพูดหน้าตาตื่นว่าเมื่อคืนนี้ประมาณตีสามอัมพาได้มาเข้าฝันในฝันนั้นอัมภาได้มายืนร้องไห้ที่หน้าบ้านของยายจวบเธอร้องไห้อยู่นานมากเมื่อยายจวบเดินเข้าไปหาอัมพาก็สะอื้นแล้วบอกว่าคิดถึงลูกอยากจะไปหาแต่ก็ไปไม่ได้และอัมพายังบอกอีกว่าที่ที่ตนไปนั้น มีแต่ความมืดมองไม่เห็นอะไรแต่ได้ยินเสียงร้องครวญครางด้วยความทรมานของใครหลายๆคนส่วนอัมพาก็ทรมานด้วยความหิวเพราะไม่ได้กินอะไรเลยลาที่นั่นก็ยังหนาวมากอีกด้วยไม่มีที่หลับที่นอนอย่างสุขสบายเหมือนที่เคยอยู่พอพูดจบอัมพาก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วภาพของอัมพา ก็ค่อยๆเลือนหายไปยายจวบจึงตกใจสะดุ้งตื่นจะนอนต่อก็นอนไม่หลับจึงเฝ้ารอให้สว่างแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้านของสินเพื่อจะมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีสินได้ฟังเรื่องราวความฝันที่ยายจวบเล่าก็นึกสงสารอำพาจับใจหัวอกคนเป็นแม่ที่สูญเสียลูกสาวก็คงจะเป็นห่วงลูก แต่ยังไม่ทันที่สินจะกล่าวว่าอะไรนางจำปาแม่ของศิลป์ที่เดินเข้ามาได้ยินยายจวบเล่าเรื่องความฝันพอดีนางจำปาก็เลยบอกว่าเพื่อความสบายใจยายจวบกับนางจำปาจะพากันไปหาคนทรงเจ้าที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งเล่าลือกันว่าสามารถสื่อสารกับวิญ ญ, ญาณได้ให้คนทรงทาพิธีเรียกวิญญาณของงามพามาถามไ่ ยายจวบเห็นดีเห็นงามด้วยจึงกล่าวตกลงไปว่าจะไปด้วยกันส่วนศิลก็ให้ไปทํางานตามปกติถ้านางจําปาได้เรื่องราวอะไรแล้วจะมาเล่าให้ศิลฟังยายจวกับนางจําปาจึงช่วยกันเตรียมดอกไม้ทูบเทียนเสื้อผ้าของใช้ของงามผาและเสื้อของนางจําปาไปอีกสองสามตัว นางจำปาได้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของยายจั่วมุ่งหน้าไปท้ายหมู่บ้านเวลาประมาณสิบโมงเชา้าทั้งสองก็ถึงบ้านคนทรงเจ้าแล้วสังเกตเห็นว่ามีชาวบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วสี่ห้าคนนางจำปาและยายจั่วจึงนั่งรออยู่ด้านหลังของห้องโถงใหญ่ที่มีขนาดความกว้าง6เมตรและยาวเจเมตร ด้านหน้าห้องมีแท่นบูชาซึ่งมีทั้งพระพุทธรูปรูปปั้นของเทพเทวดาต่างๆอยู่มากมายถัดจากแท่นบูชาก็เป็นแท่นนั่งกว้างประมาณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรห้เซนติเมตรด้านบนปูเบารองนั่งสีแดงมีชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีหน้าตาดูอิ่มเอิบผ่องใสนั่งอยู่บนแท่นนั่ง เท้าข้างหนึ่งห้อยลงมาแต่บนพื้นดูแล้วน่าจะเป็นคนทรงเจ้าที่ล่ำลือกันด้านหน้าของคนทรงมีชาวบ้านนั่งเรียงรายเป็นแถวหน้ากระดานแต่ละคนก็รอให้ถึงคราวของตัวเองจะได้ถูกเรียกให้เข้าไปพบคนทรงนางจำป่าสังเกตดูคนทรงทําพิธีต่างๆอย่างสนใจบางคนมาถามเรื่องความฝัน บางคนมาถามเรื่องคนหรือของหายและบางคนก็มาข อ, อน้ามนต์ไปรักษาโรคเพราะถึงเวลาขนทรงก็เรียกนางจำปาและยายจวัวให้เข้าไปนั่งไกลๆแล้วบอกให้นางจำปาใส่เงิน300บาทลงไปในขันเพื่อเป็นค่าครูนางจำปาหยิบเงินใส่ขันโดยไม่รีรอหลังจากนั้นจึงวางดอกไม้ทูบเทียน และเล่าความฝันให้คนทรงฟังคนทรงพยักหน้ารับรู้แล้วก็เริ่มทำพิธีเรียกวิญญาณของงามภาโดยนำขันน้ำมนต์มาวางตรงหน้าแล้วจุดเทียนไขเพื่อให้น้ำตาเทียนหยดลงไปในขันระหว่างนั้นคนทรงก็หลับตาสวดบริกรรมคาถาพึมพาฟังไม่ได้สับสักพักร่างของคนทรงก็สั่นสะท้านไปทั้งตัว พอการสั่นหยุดลงขนทรงก็ลืมตาไปมองที่ยายจัว่วแล้วพูดออกมาว่าแม่จ๊านางจำปารีบกระเถิบเข้าไปใกล้ๆคนทรงนําเสื้อผ้าข้าวของที่เตรียมมาวางเรียงไว้ตรงหน้าแล้วพูดว่าอําพาถ้าเป็นเจ้าจริงขอให้หยิบเสื้อผ้าและข้าวของที่เป็นของอําพาขึ้นมาให้แม่ดูหน่อยอําภาในร่างคนทรง ก็ก้มลงหยิบเสื้อผ้าและของชชยที่เป็นของอำพาได้อย่างถูกต้องทุกชิ้นยายจั่วเห็นดังนั้นก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่สนว่าจะอายใครนางจำปาจึงถามอำพาในร่างคนทรงว่าลูกเป็นยังไงบ้างอำพาในร่างคนทรงก็ร้องไห้แล้วบอกว่าคิดถึงลูกแก้วตามาก ทุกวันนี้ก็อดอยาไม่ได้กินอะไรเลยที่อยู่ก็มืดมาแต่ยังไม่ทันที่นางจำปาจะได้ถามไถ่อะไรต่อร่างคนทรงก็มีอาการสั่นสะท้านแล้วล้มลงไปนอนแน่นิ่งบนแท่นนั่งสักพักใหญ่ร่างทรงก็พลิกตัวและค่อยๆลุกขึ้นนั่งเหมือนคนหมดแรงเมื่อคนทรงหายจากอาการมึนงงแล้ว ลูกศิษย์ของคนทรงที่นั่งอยู่ไกลๆก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนทรงฟังคนทรงจึงพูดกับยายจวบและนางจำปาว่าวิญญาณของคนตายต้องการอาหารและที่อยู่ทุกๆวันพระให้ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารคาวและหวานที่อำพาชอบแล้วให้ซื้อบ้านเล็กๆ เ, เหมือนกับสารพระภูมินำไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างถนน จากนั้นให้มาติดต่อคนส่งเพื่อไปทําพิธีบอกวิญญาณของงําพาให้มาอยู่ที่บ้านเล็กหลังนั้นซึ่งจะต้องเสียค่าทําพิธีอีก500อบาทนางจําปาและยายจวบจึงเดินทางกลับบ้านตั้งใจจะทําตามที่คนส่งบอกเพราะสงสารวิญญาณของงําพาไม่กี่วันหลังจากนั้นศิลและนางจําปาก็ได้ให้คนทรงทําพิธีบอกวิญญาณของงําพา ให้ไปอยู่ในบ้านหลังเล็กที่เตรียมไว้แล้วเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นปกติไม่มีใครในครอบครัวฝันเห็นนำพาอีกส่วนน้องแก้วตาก็จเจริญเติบโตด้วยการดูแลเอาใจใส่จากศินและปู่ย่าตายายจนน้องแก้วตาอายุได้ประมาณห้าขวบกว่าๆคืนวันหนึ่งน้องแก้วตาก็ปลุกให้ศินตื่นขึ้นพร้อมกับเล่าว่า แม่อัมภาได้มาหาตนเธอมากอดตนและใช้มือรูปศีรษะแล้วแม่ก็เดินจากไปสินเข้าใจว่าน้องแก้วตาคงฝันไปแต่น้องแก้วตาก็ยืนยันว่าไม่ได้ฝันแม่อัมภามาหาน้องแก้วตาจริงๆสินก็เริ่มจะเชื่อตามที่น้องแก้วตาบอกเพราะก่อนหน้านั้นสินก็ได้ยินเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอ ด, ทอด และงเงียบหายไปตอนที่อำพาเสียชีวิตตอนนั้นน้องแก้วตาอายุเพียงแค่หกเดือนกว่าๆ ก, กำลังเริ่มจำหน้าแม่ได้แต่ก็ยังไม่รู้ระษาเพราะเริ่มจำความได้สินก็มักจะนํารูปของแม่อัมภามาให้น้องแก้วตาดูสินเลยมั่นใจว่าที่น้องแก้วตาพูดเป็นความจริงน้องแก้วตาไม่เคยโกหกเลย พอตอนเช้าสินจึงไปเล่าเรื่องนี้ให้นางจําปาฟังนางจําปาก็ได้นำเรื่องนี้ไปถามคนทรงแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าวิญญาณของนางงามายังห่วงหาอะไรลูกอยู่การที่มาอุบกอดก็เพราะนางงาพาต้องการให้ลูกไปอยู่ด้วยดังนั้นต้องทำพิธีสดอดกรอสืบชะตาให้กับน้องแก้วตา เพื่อไม่ให้วิญญาณมาราังควานเอาชีวิตน้องแก้วตาไปและคนทรงยังบอกอีกว่าจะทําพิธีส่งดวงวิญญาณของงําพาให้ไปสู่สุคติไม่ให้มารบกวนอีกการทําพิธีสืบชะตาและสะดอกคร้องครั้งนี้สินจะต้องใช้เงินเกือบหนึ่งหมื่นบาทสินตกลงยอมจ่ายเงินให้คนทรงและทําพิธีจนเสร็จแม้จะเป็นเงินจํานวนมาก แต่สินก็ยอมจ่ายเพราะเป็นห่วงน้องแก้วตาลูกรักสินคิดว่าทําพิธีไปแล้วครอบครัวของสินคงจะได้อยู่อย่างสงบแต่แล้วก็ยังมีเรื่องให้วาดผวาอยู่เรื่อยๆที่มันจะเกิดทุกๆวันพระโดยเฉพาะวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธซึ่งบางคนจะเรียกว่าคืนปล่อยผีสินมักจะได้ยินเสียงมาหอน และเสียงเดินกุกกุกกักบนบ้านแต่สินก็ไม่ได้สนใจจนมีอยู่คืนหนึ่งมันเป็นคืนที่ตรงกับวันเพญพุดพอดีเมื่อสินพาน้องแก้วตาเข้านอนแล้วสินก็ปิดไฟเตรียมตัวนอนบ้างไม่นานสินก็ได้ยินเสียงหมาหอนกับเสียงเดินหนักหนักเพราะสินเปิดไฟและสำรวจดูก็ไม่พบเห็นอะไรแต่พอปิดไฟจะเข้านอน ก็มีเสียงเดินไปเดินมาตลอดทั้งคืนจนทำให้สิแท้บไม่ได้นอนรุ่งเชา้าศินจึงไปเล่าให้นางจำปาฟังแล้วนางจำปาก็รีบไปบ้านคนทรงหลังจากเล่าเรื่องให้คนทรงฟังแล้วคนทรงก็บอกว่าที่ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่วิญญาณของอำพาเพราะวิญญาณของอำพาถูกส่งไปยังเมืองบรมสุขแล้ว แต่ที่ได้ยินเสียงเดินไปเดินมานั้นเป็นเสียงวิญญาณเรร่อนเป็นสัมภเวสีที่จะมาขอส่วนบุญคนทรงก็บอกให้นางจำป่ากลับไปทำบุญกุศลให้กับวิญญาณเรร่อนตนนั้นแล้วคนทรงจะไปทำพิธีขับไล่ดวงวิญญาณให้โดยต้องใช้เงินอีกสองพันบาทเป็นค่าเครื่องทำพิธีขับไล่ดวงวิญญาณชั่วร้ายหลังจากนางจาป่า ทำตามที่คนทรงบอกก็มาเชิญคนทรงให้ไปทำพิธีขับไล่ดวงวิญญาณหลังจากนั้นศิลก็ไม่ได้ยินเสียงเดินภายในบ้านอีกเหตุการณ์ทุกอย่างกลับเป็นปกติระหว่างนั้นทุกคนมัวแต่ยุ่งอยู่กับการดำเนินชีวิตของตัวเองจนเรื่องราวของอำพภาค่อยๆเลือนหายไปเช้าตรู่ของวันหนึ่งเวลาประมาณตีห้า นางจำปารู้สึกนอนไม่ค่อยหลับจึงลุกขึ้นมาก่อไฟเตรียมอาหารก็ได้ยินเสียงของพระธุดงรูปหนึ่งมายืนอยู่ที่ประตูนาบ้านซึ่งพระธุดงรูปนี้เมื่อวานนางจำปาได้เห็นท่านปรากฏอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านนางจำปาคิดว่าพระธุดงจะมาบินธบาทแต่นางจำปายังไม่ได้เตรียมอาหารที่จะใส่บาตรเลย แยจึงออกไปนิมนต์ให้พระธุดงรูปนั้นเข้ามาในบ้านก่อนเมื่อพระท่านนั่งลงบนเสื่อแล้วท่านก็เอ่ยว่าเหตุที่ท่านมาแต่เช้าเพราะได้รับการขอร้องจากวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าอัมพาเธอต้องการให้มาบอกญาติว่าตอนนี้อัมพาได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ต้องกินอาหารหรือเรียกว่าอิ่มทิพย์แล้ว และที่ที่ไปอยู่ก็สุขสบายดีไม่ได้ทุกทรมานเลยเพียงแต่ถูกกักขังให้อยู่ที่นั่นเพื่อชดใช้กรรมไปไหนไม่ได้จะมีก็แต่ทุกๆวันเพ็นที่ตรงกับวันพุธซึ่งจะเป็นคืนปล่อยผีวิญญาณที่ถูกกักขังจะได้กลับมาบ้านอัมพาเองก็เคยมาเยี่ยมลูกในวันปล่อยผีและได้อบกอดลูกไม่ได้มเมาชีวิตลูกอย่างที่เข้าใจกัน และหลังจากคืนนั้นอำพาก็ไม่ได้มารบกวนอีกเลยนางจําปาก็เลยถามพระธุดงรูปนั้นว่าแล้วเสียงกุกกุกกักกักเดินไปเดินมาที่ได้ยินนั้นคืออะไรพระธุดงรูปนั้นกล่าวว่าบางทีอาจจะเป็นวิญญาณเร่รอนที่มาหลอกหลอนหรือมาขอส่วนบุญก็ได้พระธุดงพูดต่อว่าวิญญาณของอำพาบอกว่า ตอนนี้ได้ใช้กรรมหมดแล้วแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใหม่อยากจะมาลาศิลกับลูกแต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะคนทรงได้ทำพิธีขับไล่ดวงวิญญาณและนําได้สายศิลมาล้อมบ้านเอาไว้จึงได้ไปขอร้องพระธุดงให้ช่วยส่งข่าวและฝากลาแทนตนนางจำปาได้ยินดังนั้นก็กล่าวสาทุและก้มลงกราบพระธุดงรูปนั้น พระธุดงก็บอกว่าท่านจะไปจาริกสแสวงบุญซึ่งจะต้องเดินทางอีกไกลจึงให้พรและเดินออกจากบ้านไปพอสินตื่นและเดินออกจากห้องมานางจำปาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สินฟังสินฟังแล้วก็ได้แต่โทษตนเองที่เชื่อแบบไม่มีสติจึงเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินไปมากมายหลังจากนั้นอีกก้าเดือน สินและนางจาปาก็ได้พาน้องแก้วตามาบ้านของยายจวบเพื่อมาต้อนรับหลานใหม่ที่เกิดจากพุทซอนน้องคนเล็กของจปาปาเธอพึงจะคลอดลูกมาได้เจ็ดวันทุกคนชื่นชมยินดีที่ได้หลานสาวมาเพิ่มอีกคนนางจาปาขออุ้มหลานส่วนน้องแก้วตาก็ขอจับมือน้องคนใหม่ ขณะที่น้องแก้วตาเอื้อมมือจับทารกน้อยสินก็สังเกตเห็นว่าที่ข้อพับแขนด้านในข้างซ้ายของทารกน้อยมีปานสีแดงจางๆรูปคล้ายพระจันทร์เสี้ยวทั้งตำแหน่งและรูปร่างนั้นมันเหมือนปานของอัมพาไม่มีผิดที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือหน้าตาของทารกน้อยก็ละไมคล้ายกับอัมภาเช่นกัน สินจึงปักใจเชื่อว่าการที่นำพามาบอกลาเพื่อไปอยู่ภพภูมิใหม่แท้จริงแล้วก็กลับมาเกิดอยู่ในภพภูมิมนุษย์และกลับมาเกิดเป็นคนในครอบครัวนี่เองสินจึงจับมือ น, น้องแก้วตาให้โอบกอดทารกน้อยแล้วพูดว่าแก้วตาให้รักน้องเหมือนรักแม่นะทุกคนที่ได้ยินก็หัวเราะเพราะตลกในคำพูดของสิน หัดสืบ